พู้ท้วสวัสดีค่ะท่านฝั่งที่ครบคะ่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันพระขึ้นสิบห้าาเดือนสองหรือถ้าเป็นภาษาโบราณเขคงจะเรียกว่าเดือนยี่นะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยมีวันสำคัญสคัญอยู่เยอะเหมือนกันนอกเหนือจากวันขึ้นปีใหม่แล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่วันครู ส่วนเมื่อสองวันที่ผ่านมาเป็นวันเด็กนะคะแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยจะเป็นวันตรุษจีนดูเมือนกับวันสําคัญจะมีเยอะๆเดี๋ยวจะไปถามพระอาจารย์นะคะว่าวันไม่สําคัญน่ะมันอยู่ตรงไหนกราบในมรสการพระอาจารย์เพลบนค่ะเดนฟอนแต่วันนี้ก็เดือนนี้ก็มีหลายวันที่เป็นวันสําคัญเนาะค่ะอมีวันไม่สําคัญบ้างไหมคะอาจรย์มาคิดว่าไอ้วันสําคัญต่างๆเนี่ย คือเป็นวันที่ให้เราระลึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะนะอย่างวันเด็กวันครูเขาก็กำหนดปีละครั้งใช่ไหมจริงๆแล้วอย่างเรื่องของเด็กเราต้องให้ความสําคัญทุกวันเลยเรื่องของครูเราก็ต้องให้ความสําคัญทุกวันอยู่แล้วแตทีนี้เหมือนกับว่ารอบปีหนึ่งอาจจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่เขาสมมุติกันขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะต้องทํากันอยู่ทุกวันเประเดนที่คุณโยมติ๋วถามก็คือวันที่ไม่สําคัญเนี่ยมีไหม ไม่มีเลยถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเนี่ยนะทุกวันเนี่ยจะเป็นวันสําคัญจริงๆค่ะดังนั้นต่อไปนี้ดิฉันจะเลิกเรียกวันต่างๆที่กําหนดไว้ในปฏิทินว่าเป็นวันสําคัญ ต, ต้องบอกว่าวันตามปฏิทินแล้วกันเพราะท่านเพรบิบณ์บอกสําคัญทุกวันนะคะ อ, อย่าใช้ชีวิตกันด้วยความประมาทจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเมื่อวาน เียฉันติดค้างที่จะต้องส่งการบ้านท่านฟังนะคะที่ท่านพริบูลได้พูดถึงว่าเราต้องส่งเสริมคนดีทีนี้คนดีเนี่ยต่างคนสองกระจกปุ๊บเจอคนดีดีแบบที่ตัวเป็นแต่ถ้าเป็นคนดีในแบบที่รายการของเราอยากจะพูดถึงเปิดทาที่ถูกปิดด้วยพุทธัอย่างไรกันนะครับพระเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้เอาไว้เป็นพระสูตรที่ยาวมากพูดถึงว่าลักษณะของคนดีกับลักษณะของคนไม่ดี S <S <S เราจะดูได้อย่างไรว่าคนดีคนไม่ดีเพราะว่าคนคนมันมันจะต้องดูได้อะไม่งั้นบัณฑิตเขาจะไม่สามารถบอกได้ว่าใครดีใครไม่ดีแต่พนะระช้ชอบเคยบอกถึงเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนผ่านนะกับเรื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีนะคือคือพูดถึงคนดีและคนไม่ดีแต่เรื่องหมายเครื่องอ้างอิงเนี่ยเหมือนกับว่าาติดไว้กลางท่าผักเลยบอกได้ว่า <Okay. S 1> คนนี้ดีหรือคนนี้เลวบอกได้เลยทันทีดูที่3ามอย่างหนึ่ง คนไม่ดีเนี่ยโดยปกติโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมักคิดเรื่องที่ไม่ดีมักพูดเรื่องที่ไม่ดีมักทําการกระทํำที่ไม่ดีะอะไรอะที่บอกว่าไม่ดีคิดเรื่องอะไรที่คิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องพยาบาทคิดเรื่องเวทเบีย น, นคิดมีความเพ่งเลงทรัพย์ของใครเราอยากได้ทรัพย์อตรงนั้นมานคิดเรื่องพวกนี้สองพูดไม่ดีพูดยังไงพูดไม่ดีโกโหกอยู่เรื่อยแล้วก็พูดเฉยใช้ยแย บ, บเบ e ือนในลักษณะของพูดเพ้อเจ้อ พูดคำหยาพูดส่อเสียดนะสามอย่างแล้วก็ทาการกระทำที่ไม่ดีเช่นะขโมยลักทรัพย์การฆ่าการโกงการผิดศีลพวกนี้นะก็คือพูดทำคิดที่ไม่ดีนี่คือลักษณะของคนชั่ว ใ, ในทางตรงกันข้ามคนดีระดูยังไงก็ดูที่คนดีเนี่ยมักคิดความคิดที่ท ด, นะดีพูดคำพูดที่ดีและทาการกระทาที่ดี นะคิดที่ดีเช่นอะไรบ้างก็คือไม่คิดพยาบาทคนอื่นนะในลักษณะตรงกันข้ามนะพูดก็พูดไม่เพ้อเจ้อไม่ปดไม่คำหยาบไม่กระแทกกระทันนะแต่เป็นวาจาที่อ่อนหวานเป็นวาจาที่ทำให้เกิดความสามัคคีในะเวลาทำนะก็ไม่ทำเรื่องผิดศีลอ่แล้วก็ทำเหมือนอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำานะี่นี่คือลักษณะของของคนดีดูง่ายๆคะอืมนะนะ ทีนี้พอพอดีกับไม่ดีเนี่ยมันก็จะจะต่อไปอีกอะนะบุทุษเจ้าได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เป็นพิสูจ์ที่น่าสนใจจริงๆคุณเดียมติว <Okay. S 1> พูดถึงว่าถ้าคนคนดีเนี่ยเอาคนไม่ดีก่อนนะถ้าคนไม่ดีทําสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บนะก็จะได้รับทุกสามอย่างในปัจจุบันแ น, น่นอนนะสอย่างในปัจจุบันคือคุณไม่ต้องรอไปตกนรกตกโลกอะไร3อย่างเอา <Okay. S 1> ปัจจุบันนี้คุณต้องเจอก่อนอย่างอย่างที่1ก็คือถ้าคนไม่ดีเนี่ยเขาไปอยู่ ตาม4ีแยกตามอะไรที่เขาพูดในที่ประชุมกันเนี่ยนะเขาก็จะพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีนะเช่นโกหกหรือเช่นการฆ่าสัตว์หรือสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกกังวลใจว่าเฮ้ยฉันทําประเภทนั้นนินหวานะว่าจะโกงใจนี่คือความทุกข์ที่คุณจะเจออันที่1ในปัจจุบันะนะอันที่2ก็พูดถึงเรื่องการลงโทษนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหือในสมัยก่อนก็ตามเถอะ พระราชาต่างๆจนชั้นปกครองเนี่ยก็จะมีบทลงโทษกับพวกที่ทําไม่ดีเอาไว้แต <Okay. S 1> ถ้าเราเห็นพวกนั้นถูกลงโทษเราก็จะเอ้ยฉันจะโดนจับได้ไหมน้ออะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือข้อที่2ค่ะแล้วก็ข้อที่3ความทุกข์ที่จะเห็นได้ในปัจจุบันของคนที่ทําไม่ดีเนี่ย <Okay. S 1> ก็คือว่าเวลาแก่ลงไปเวลาแก่ตัวลงไปเนี่ยไอ้ความคิดต่างๆสิ่งที่เราไม่เคยทําไม่ดีเอาไว้เนี่ยมันจะตามมาหลอกรลอนเรา <Okay. S 1> พระราชาเปรียบเทียบเหมือนกับภูเขา ที่เวลาพอพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนี่ยเงาของมันจะทอดไปตามพื้นดินแต่เนะช่นเดียวกันไอสิ่งที่เราได้ทํำไม่ดีเอาไว้เนี่ยมันจะมาตามหลอกหลอนทําให้จิตใจเรากงังวลนะเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอันนี้คือสามข้อที่จะจะเจอในปัจจุบันทางตรงกันข้ามสาหรับคนดีก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะตรงกันข้ามนะว่าจะมีความสุขสามอย่างในปัจจุบันทันทีอันนี้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงความสามารถของแต่ละบุคคลนะ เช่นว่าเขาเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เรายกไว้ก่อนเลยก็ได้ะค่แล้วก็เรื่องของชาติหน้าพบหน้าเรายกไว้ก่อนเลยก็ได้เยนพานค่ะก็เป็นสิ่งที่ที่ฉันคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบพูดปุ๊บมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไกลตัวเกินไปพูดชาติหน้าปุ๊บบางคนเราบอกมีเปล่าก็ไม่รู้แต่ชาตินี้เนี่ยฟังจากที่ทํานายดิฉันชอบตอนที่บอกตอนแก่แล้วหลอนเนี่ยนะ ม, มันน่าทรมานใช่หลับตาย้อนนึกไปตายล้ไม่มีดีเลยหาภาพดีไม่เจ อ, องี้ก็คงจะทำให้มีทุกคติเป็นที่ไปแน่นอนอืมก็มเป็นแนวนทางในการที่เราจะปฏิบัติกันนะคะใช่ใช่ถ้าถ้าเราทำตามนี้เนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนคุณเล่นการพนันนะคุณเล่นการพนันถ้ า, าบอกว่าคุณแทงชีวิตของคุณด้วยสิ่งที่เป็นบาปอาโศลธรรม โอกาสที่คุณจะถูกหวยแล้วก็ไปตกนรกเนี่ยมันมีมากอ่า hmm. มันก็คือเหมือนกับคนเล่นการพนันแล้วโชคร้ายครั้งแรกเนี่ยต้องเสียทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดรวมทั้งลูกเมียในการแทงพลาดครั้งแรกครั้งเดียวสวยไปเลยนี่คือคนที่ทําไม่ดีแล้วไปตกนรกนะส่วนคนที่ทําดีแล้วได้ไปขึ้นสวรรค์นเนี่ยความสุขของบนสวรรค์ น, นี่มันมากจริงๆ แตเหมือนกับคุณเล่นการพนันแล้วโชคดีถูกครั้งแรกครั้งเดียวได้ทรัพมหาศาลการที่เราแทงชีวิตของเราเด้วยกูสลธรรมอันนี้คือความโชคดีมหาศาลที่ยิ่งกว่าความโชคดีในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นด้วยอันนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนด้วยเนาะนี่ค่ะคิดดีพูดดีทำดีก็จะได้รับผลที่ดีแล้วก็จินตนาการคิดออกได้ ว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากเกินไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงตัวนะคะใครกะคิดออกได้อย่างนี้เรียนสนใจในเรื่อง อ, อื่นอื่นอีกมากมายแต่ต้องสงกันบ้านอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเว้นวรรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติระยะหลังนี้ยอมรับนะคะว่าถามคำถามเกี่ยวกับปฏิบัติน้อยทีนี้จะกลาบเรียนถามท่าน สืบเนื่องจากที่พูดไปวันก่อนว่าในการปฏิบัตินะคะแต่ละคนก็จะเหมือนกับพอนั่งสมาธิแล้วมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันปฏิบัติเพราไปเจอท่านหนึ่งบอกชีวิตก็ไม่เคยปฏิบัตินะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นผู้ปฏิบัติมากเขาก็มาชวนให้ปฏิบัติบอกพอนั่งสมาธิได้แป๊บเดียวโดย จะถูกเพื่อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนนับถือนะคะอออบอกว่าอยู่ดีๆก็เกิดความรู้สึกมันว่างว่าบสว่างมีความสุขมากในเวลาไม่นานเลย ม, มันคืออะไรเหรอคะท่านคะคือการกําหนดบทเป็นชนะของแต่ละคนบางทีมันมันแตกต่างกันนะคืออย่างถ้าสมมติเราพูดถึงอาการที่จิตระวางลงไปเนี่ยแต่ละคนก็จะกําหนดบทเย็นชนะได้ ได้ไม่ไม่เหมือนกันทำให้บางทีอาจจะเข้าใจกันผิดเพี้ยนแต่เอาเท่าที่คุณโยมติ๋วพูดแล้วกัน น, นะเนาะว่าไอ้สมมุติเรารู้สึกว่างวางลงไปเนี่ยเป็นอาการที่จิตเนี่ยรวมลงเป็นสมาธิอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะในขณ ะ, ะนั้นเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้มีความคิดนะไอ้ถ้าไม่มีความคิดเนี่ยมันไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่าจะคิดไม่ดีละเพราะความคิดมันไม่มีใช่ป ะ, ะนั่นก็คือลักษณะที่ว่าคุณก็จิตรวมลงเป็นสมาธิแน่แต่ขั้นไหน นี่ยมันก็ต้องดูว่าสม า, อ, า อ, องค์ประกอบตอนที่คุณพูดถึงอยู่ตรงนั้นน่ยไอ้ที่มันว่างลงลงไปเนี่ยมันมีปิติสุขไหมหรือปิติสุขมันหายไปแล้วก็จะค่อยดูได้ว่าที่จิตเข้ารวมลงเป็นสมาธิเนี่ยไปลักษณะไหน อ, อีกประการหนึ่งตรงนี้มีมีแง่มุมอยู่อย่างน้อย3แง่มุมในอันดับแรกก็คือค อ, อันที่1น่ะสามารถพอที่จะบอกได้ว่าจิตเขาเป็นสมาธิแน่ในอันที่2ในขณะที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ย เขามีสติอยู่ตลอดหรือไม่ัตถ้าเขาเามีสติอยู to learn to learn to ่ตลอดเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ไ huh. ด้เผลอเปลินหรือว่าเพลิดเปลินไปในสมาธิคือความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นแต่ถ้าเขาไม่ได้เผลอเพลิดเปลินไปในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นก็มีสติอยู่อันนี้ดีนะคือได้สมาธิเนี่ยมันดีแน่ล่ะแต่มันจะมีความเมาที่เกิดจากตรงนั้นได้ถ้าเราทำไม่ถูกในที่นี้ก็คือบางทีเราไปเผล อันนี้เราก็ต้องระวังค่ะแต่เท่าที่กรณีตัวอย่างเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้ต้องปฏิบัติสมาธิเป็นประจำก็มีประสบการณ์เป็นครั้งคราวอย่างเช่นคราวนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่เพิ่งจะเกิดแล้วก็เกิดแล้วก็แปลกใจว่ามีอาการที่มันแปลกจริงๆจึงสงสัยนะคะเรียนเองสงสัยว่ามันเกี่ยวกันไหมคะกับการที่มีคนที่ เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากและอาจจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติมากอยู่ก่อนมาเป็นผู้นําปฏิบัติจึงทําให้เกิดอาการอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นเลยคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของศรัทธานี่ช่วยได้แน่ศรัทนธะาจะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติแล้วทําให้เกิดสติได้นะบุคคลผู้มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดวิริยะคือความเพี่ยน แลไอ้ความเพียรตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องฝึกมาเป็นสิบปียี่สิบปีเอาแค่ว่าวนะวินาทีนั้นคุณทําได้อย่างถูกต้องนี่คือความเพียร น, นะทําจริงเลยวินาทีนั้นคุณมีศรัทธาแล้วคุณจึงทําจริงทําจริงแล้วสติมันจะเกิดนะสติเกิดแล้วก็จะมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขามีศรัทธาในบุคคลที่เขาฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยอันนี้มันก็ทําให้เกิดการปฏิบัติได้แน่นอนอ๋อค่ะนะคะแล้วก็ ในกรณีที่คนปฏิบัติทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะคือมีประสบการณ์บางคนเล่าให้ฟังเนียบอกว่าแปลกเข้าไปในบางบ้านเนี่ยเบ้า น, นะคะ่ะแต่เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านอาจจะทําบุญมากหน่อยทําบุญใหญ่เข้าไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับจิตมันจะเป็นมีสมาธิเข้ามาจับอยู่ตลอดเวลาอืมก็คือมีความสบายใจในระดับหนึ่งอันนั้นเป็นเพราะสถานที่ ที่เป็นที่เกิดแห่งบุญหรือว่าเป็นเพราะอะไรคะเออเป็นเป็นไปได้นะเพราะว่าที่ทางมันเกี่ยวนะพระพุทธเจ้าก็เคยบอกถึงสถานที่ที่เป็นสปายะนะหรือบางทีเราเข้าไปที่วัดบางแห่งเราก็จะรู้สึกว่าวัดนี้มันรู้สึกสบายเข้ามาแล้วสบายใจนะนั่นก็เป็นเพราะว่ากระแสต่างๆมันก็มีแน่รแกระแสแห่งความรักความเมตตาที่แผ่ไปมันก็ได้รับผลนะในสถานที่ก็จะมีพวกพลังพวกนี้อยู่ได้ ถึงแม้ว่าสถานที่เช่นนั้นจะเป็นบ้านปกติธรรมดาแต่เป็นบ้านของคุณที่คนที่ทำบุญใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้แหละค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็คือเราตรงเนี้ยเราก็ฝึกฝนในการที่จะทานะคือสิ่งภายนอกมันก็ช่วยได้แน่แล้วที่สำคัญเนี่ยคือตัวของเราเองนะเราฝึกทําปุ๊บเราก็สามารถสร้างอกสารที่แบบนี้ที่บ้านเราได้ที่ที่เราอยู่ได้เหมือนกันค่ะคือหมายกับว่า บ้านของเราธรมาธรมดาๆนี่จะกลายเป็นบ้านที่มีความพิเศษไปเลยหรอคะใช่ใช่โอ้งั้นใครคิดจะขึ้นบ้านใหม่สงสัยต้องมาทาวิธีทำให้บ้านเป็นบ้านที่มีความพิเศษทำยังไงคะท่านค ะ, ะพูดดีคิดดีทำดีในบ้านนี้มากๆค่ ะ, ะง่ายๆเลยอย่างที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการเราพูดดีคิดดีทำดีในสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ทางานหรือที่บ้านเนี่ย บริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีกระแสแห่งแห่งความรักความเมตตาอยู่แน่นอนะงั้นถ้าสมมติว่าเราขึ้นบ้านใหม่หรือเราคิดจะเริ่มต้นปีใหม่วันก่อนเราพูดเรื่องวินยัยเราพูดเรื่องคุณธรรมเราอาจจะกําหนดวินัยในบ้านว่าอยู่ในบ้านนี้ห้ามพูดไม่ดีต่อกัน เด็ดห้าคิดไม่ดีเถอะับอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับเทคนิค<ด>นะใช่ใช่ ก, ก็ก็น่าจะทําให้ท่านมีบ้านที่เปรียบเสมือนสวรรค์เพราะว่าข้างนอกจะร้อนรนยังไงเข้ามาที่บ้านแล้วโอ้โหมันสบายหูสบายตาสบายใจใช่ใช่นะคะอ๋อคุยไปคุยมาเลยได้เทคนิคก็กราบน้ำสการขอบพระคุณท่านในโอกาสที่กําลังจะหมดเวลานี้น <S <S อย่างไรเสียวันนี้เราได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับ ประสบการ์ปฏิบัติของคนอื่นแล้วก็นํามาสู่การที่จะทําบ้านของเราทุกคนให้เป็นสวรรค์กับในตอนต้นเรารู้ว่าคนดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรควรจะทําอย่างไรและทําแล้วจะได้รับอะไรนะคะวันนี้ก็ต้องกราบนมสักการขอบพระคุณท่านพิบุตรเอาไว้เนาวาล์การนี้ครั้งหนึ่งนะคะน้อมักการกันทั้งค่ะดิฉันสันสัญนาพง์นะค ะ, ะ, คะดำเนินรายการสัสนสัีสนทนาต้องการให้ธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ ท่านนำเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันไม่ได้นะคะสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างแน่นอนและเพียงก็หวังว่าท่านจะมีบ้านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการมีวิหนซึ่งคือคุณธรรมปรากฏอยู่ที่นั่นนั่นเองและบ้านจะได้กลายเป็นสวรรค์ น, นะคะอยูตามรับฟังรายการสัมมนสนทนากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุณทวัสวัสดีค่ะ